จึงได้ทรงมีมันสมองเลิศถึงป่านนี้มหมายเหตุผู้อ่านซึ่งสติที่สมบูรณ์และสามารถทำให้ทรงจำเรื่องต่างๆไว้ไดดีนั้นตัวอย่างก็มีให้เห็นจากการจดจำพระไตรปิฎกที่เหล่าพระอรหันต์ท่านต่างจดจำกันได้ดีก่อนนำมาเรียงร้อยเป็นคาถาให้ท่องให้สวดและการสืบตอพระไตรปิฎกตั้งแต่อดีตนั้นใช้การสวดเป็นการท่องจากันมานาน ก่อนที่จะมาบันทึกเป็นตัวอักษรในหนังสือนะครับ